กองทัพธรรมธรรมะอิงชีวประวัติของท่านพระสารีบุตรเทราพระธรรมเสนาบดีแห่งพระพุทธศาสนาเสนอตอนที่สาเรื่องสัดฝุ่นไปทวนลมฤดูร้อนย่างเข้ามาได้เดือนกึ่งแล้วความสำเร็จรใด ก็ยังไม่เกิดขึ้นแกกษัตริย์แห่งกัมปิละผู้เร่าร้อนใคร่จะได้พระโอรสธิดาคืนและทำความพินาศให้แกโยธยาไปในขณะเดียวกันเมื่อจตราวดีไม่ช่วยรบก็พักไว้ก่อนในทิศทางนั้นหลังจากที่ทรงตรองอยู่หลายที่วาราตรีแล้วก็ให้แต่งพระสารท่งทูตเป็นการลับไปยังพระเจ้าอุเทนกรุงโกสัมพีทรงเล่าเนื้อความ ตามเป็นจริงไปยังพระราชาผู้เป็นสหายแล้วขอให้ช่วยยกทัพไปเหยียบอยยธยาส่วนพระองค์เองจะส่งกองทัพออกช่วยอย่างลับๆและเมื่อได้กรุงอยยธยาแล้วก็จะยกให้เป็นสมบัติของโกสัมพีทั้งหมดจะขอรับเฉพาะพระโอรสทิดาคืนและสิ่งที่ปรารถนาอย่างยิ่งก็คือการได้เห็นอยุธยาถูกทาลายอันเป็นการช่วยล้างแค้นให้พระองค์สารตอบจากโกสัมพี เป็นเป็นทางปฏิเสธอีกเช่นเดียวกันกับชตราวดีโดยเหตุผลว่าเมื่อดูที่ตั้งของรัชธานีทั้งสองโดยลักษณะภูมิประเทศแล้วการยกทัพจากโกสัมพีจะลำบากยิ่งเพราะจะต้องข้ามแม่น้ำใหญ่ถึงสามสายคือเยมุนาคงคาและอีกสายหนึ่งซึ่งตั้งอยู่ระหว่างคงคากับสรยุการลำเลียงกาลังย่ำเป็นไปได้ด้วยยากถ้าอาุธยาส่งคนปล้นสเสบียง หรือตัดสายการติดต่อทัพหลวงโกสัมพีแม้ไม่ถูกล้อมก็จะเหมือนถูกล้อมเพราะเมื่อขาดสเสบียงก็ชื่อว่าขาดกำลังทั้งปวงบัดนี้ราชางัมปินละทรงทราบแล้วว่าผู้อื่นที่จะมารู้สึกเก็บแฉนแทนตรงนั้นหาไม่ได้อีกแล้วทุกฝ่ายก็จะต้องดูทางหนีทีไล่หรือสำรวจประโยชน์ได้เสียดูก่อนเมื่อเห็นว่ามีทังได้น้อยก็จะพากันปฏิเสธหมดสิน้น ทางที่ดีที่สุดก็ไม่อยู่แต่การพึ่งตัวเองเท่านั้นปราบใดที่คนไม่คิดพึ่งตัวเองปราบนั้นก็จะได้รับแต่ความรังทดใจที่มีแต่ผู้อ้างเหตุขัดข้องในการช่วยเหลืออย่างนั้นอย่างนี้กรรณจะยกทัพไปเองเล่าไถ่คำของอยุธยาก็ยั ง, งยืนยันแข็งขันอยู่ว่าจะโปรงพระชนของพระอรรธิดาเป็นการตอบแทนจึงจำเป็นจำใจหาทางออกครั้งสุดท้ายคือ ขอให้กษัตริย์แห่งจัตรวดีเป็นผู้ไปขอคืนโดยสันติและจึงค่อยยกทัพไปรบอยยธยาเองในภายหลังปัญหาสำคัญมีอยู่ข้อเดียวคือจําเป็นจะต้องให้คำมั่นแจงพระอนุชาของตนว่าจะไม่ยกทัพไปรบอยยธยาพระอนุชาจะได้ยอมเป็นผู้ประกันและขอพระอรรธิดาคืนมาได้ความแ้นทางนี้เหลือที่จะเทียบเป็นขนาดหรือน้าหนัก เมื of of ่อจำเป็นจะต้องเสียสัจวาจาก็เห็นจะต้องยอมขออย่างเดียวให้ล้างอายล้างแค้นสำเร็จก็พอเมื่อทรงนําฤิเช่นนั้นแล้วยิงได้แต่งพระราชสารและให้ทูตนําไปยังกรุงชตราบดีโดยด่วนยอมรับรองจะไม่ลุกรานอโยธยาเพื่อแรกกับการได้คืนซึ่งพระโอรสิดา กษัตริย์แห่งจตราบดีมีพระไัยชื่นบานที่จะได้ทำงานสำคัญในฐานะเป็นผู้ไกลเกลีย่ยจึงสั่งให้แต่งเครื่องราชบรรณาการและให้ทำรชัชสารส่งทูตไปยังอยยธยามหานครทูลขออภัยในความผิดพลาดในหันหลังของพระเชษฐาและขอให้พระเจ้าสุรเสนได้โปรดประทานหลานทั้งสี่คืนไปยังกัมพิลละเพื่อความสงบสุขสืบไป โดยชตราวดีจะขอรับประกันมิให้กัมปิละยกชับมารุกรานต่อไปอีกมีสารตอบมาจากอิษยาพร้อมด้วยเครื่องบรรณาการแสดงความเคารพพระทัยอย่างยิ่งที่กษัตริย์แห่งชตราวดีทรงถือทมเป็นที่ตั้งในพระชสารตกลงยินยอมเืนพระนดดาทั้งสี่โดยด้นัดวันให้ทูตจากชตราวดีและกัมปินละไปรับกลับเพื่อเป็นทางแห่งสันติในอนาคตการต่อไป พระราชาแห่งจัตราวดีพอพระไทยในพระทยัยศายผสงบและอ่อนโยนของพระเจ้าสุรเสนะเป็นอันมากจึงมีพระชสารถึงพระเชษฐาธิราชเพื่อแต่งทูตร่วมกับทูตของโปรงไปรับพระราดาทั้งสี่โปร่งอย่างเป็นหลักฐานซึ่งกษัตริย์แห่งกัมพิละก็ทรงจัดทูตร่วมไปกับทูตฝ่ายจัตราวดีรับพระาชอุรสพระชช ด, ดากลับคืนมาตามที่กาหนดหมายคือ ในวันปาฏิบทแห่งเดือนเชตฐะซึ่งแม้จะยังไม่สิ้นฤดูร้อนก็ยังมีฝนบ้างพอประปรายระหว่างเวลาที่กษัตริย์ทั้งสี่พำนักอยู่ในอโยธยาแม้ในฐานะผู้ถูกกักตัวแต่พระเจ้าสุรเสนะก็ได้จัดถวายพระเจียดเป็นอันดีเสมือนหนึ่งลูกกษัตริย์ผู้มีสระทั้งหลายโดยประธานพระอนุญาตให้ท่องเที่ยวไปในอยธยาตามแต่จะปรารถนา เพียงแต่มีฐานคุ้มกันซึ่งแต่งกายเป็นข้าราชบริพารติดตามอารักขาไปด้วยเท่านั้นม่ตรีจิตทั้งนี้เป็นธรรมพิชัยคือชชนะทางธรรมที่พระเจ้าสุรเสนะทรงได้รับในเมื่อกษัตริย์ทั้งสี่พระองค์นั้นทรงเห็นแจ้งความจริงว่าความผิดทั้งปวงล้วนเป็นเรื่องที่พระราชบิดาก่อขึ้นแจกพระเจ้าสุรเสนาผู้ดีงามอ่อนโยนแต่ฝ่ายเดียว คิมฤรุ ด, ดูผ่านไปวัดสารุ ด, ดูอีกสีเดือนผ่านไปตลอดเวลาเหล่านี้ทางกัมพิละพยายามเตรียมการสงครามอย่างลับๆพยายามฝึกหัดผู้คนช้างมาและจะทำสตราวุธเพิ่มพูนขึ้นเป็นอันมากกษัตริย์ผู้ยอมเสียสัตว์ไม่ฟังเสียงทัานของพระมเหสีและโอรสธิดาแม้แต่น้อยมุ่งมั่นแต่อย่างเดียวที่จะทาลายล้างอโยธยาให้จมได้ แต่ก็ได้ทรงปกปิดมีให้แม้ในทานผู้ใหญ่รู้พระราชประสงค์ในการเตรียมสงครามอย่างไรเลยกล่าวทางอโยธยามหานครเมื่อส่งคืนเฉลยกษัตริ์ทั้ง4ี่พระองค์ไปแล้วพระจ้าสุรสีนะก็เข้าเฝ้าธนิยะพระชบิดากราบทูลปรึกษาราชจิตเช่นเคยข้าแต่พระบิดาลูกคิดว่าการคืนเฉลยศึกไปนี้จะไม่หมายความว่าใครใค จยับยั้งกษัตริย์กัมพิลละไม่คิดการสงครามอีกได้เพราะเป็นผู้มีอัธยาศัยต่ำไม่เห็นความสําคัญแห่งคุณงามความดีใดๆแต่ที่ลูกคืนให้ก็ด้วยต้องการจะให้ราชาแห่งประเทศอื่นได้รู้เห็นเป็นพยานว่าเราไฟสงบจริงๆและไม่ต้องการสงครามเลยถ้าเกิดสงครามขึ้นอีกก็เป็นเพราะการทําลายสัตว์ของผู้ให้สัตว์ราชาแห่งปัญจาลาภาคเหนือซึ่งรักษาวาจา และเกติยศก็จะแตกกันเองกับราชาแห่งปัญจาลภาคใต้ข้าแต่พระบิดาลูกเชื่อว่าแรงนี้กษัตริย์แห่งกัมพิละคงจะยกทัพมาอีกเพราะได้ทราบว่าส่งทูตไปจัตราวดีไม่สําเร็จก็ส่งทูตไปโกสัมพีครณ์ไม่สําเร็จก็ส่งทูตไปจัตราวดีอีกนี้เป็นข้อขาคาดคณเงเหว่าเมื่อไม่ได้ผลทางอื่นก็ให้ได้อรรธิดาคืนเสก่อน ความควรที่จะสงบอยู่เพียงนั้นกษัตริย์แห่งกัมปิลาก็ไม่ได้สงบตามที่ควรเลยกับเตรียมการสงครามอย่างลับๆตลอดเวลาข้าแต่พระบิดาลูกมีความสลดใจและเบื่อหน่ายในการที่จะต้องต่อสู้กับคนอศัตถ์ผู้ไม่มีฮิริโอตปะแต่เท่าที่ยังคงเป็นผู้ปกครองอยยธยาอยู่ทุกวันนี้ก็เพื่อสนองพระราชประสงค์ที่ต้องการให้ลูกบัเป็นประโยชน์แก่ส่วนรวม ยังความสุขสมบูรณ์ให้เกิดแจ่มหาชนทั้งหลายลูกอยากจะกลับไปอยู่พระนสีตามเดิมเพื่อมีความเป็นอยู่อย่างสงบไปบันๆหนึ่งไม่ต้องรับผิดชอบต่อรักษีมาอาณาจักรไม่ต้องคอยวุ่นวายต่อสู้กับคนละโมบโลบมากผู้กระหายอำนาจยิ่งนานวันลูกยิ่งเห็นด้วยกับถ้อยคำของท่านอาจารย์ของพระบิดาผู้เคยสอนว่าอานาจนั้น เหมือนก้อนเหล็กแดงร้อนลุกเป็นเปลวรุ่งโรดซึ่งคนทั้งหลายเห็นเป็นดอกไม้อันน่าอุ้มชูเชยชมแล้วก็พากันแย่งเข้ากอดรัดผลที่รับจึงพากันวุ่นวายเดือดร้อนหาความสุขไม่ได้ข้าแต่พระบิดาในการทำสงครามครั้งหลังนี้ลูกตั้งใจจะใช้ประโยชน์จากแอ่งน้ำใหญ่บนภูเขาที่เราได้เสริมคันไว้ดีแล้ว และอนาจใจว่าในครั้งนี้คงจะมีคนตายกันบ้างแต่ก็ได้รังรอมาหลายคราวแล้วได้พยายามหาทางอื่นที่ดีที่สุดก็ไม่สำเร็จทนิยะยินเอื้อมราสไปรูปพระปิสดางแห่งโอรสผู้เป็นที่รักดูก่อนสุรเสน ลูกคิดถูกแล้วที่พยายามหาทางดีที่สุดก่อนจะทำอะไรรุนแรงลงไปภาษิตโบราณมีอยู่ว่าศัตรูนั้นเปรียบเหมือนน้าถ้าจะหลีกก็ควรหลีกให้พ้นถ้าหลีกไม่ได้ก็ควรทำลายเสียให้แหลกที่พ่อพูดอย่างนี้ปิ้ได้หมายความว่าให้คิดจะทำลายผู้เป็นศัตรูหากให้หลีกเลี่ยงจนสุดความสามารถเมื่อหลีกเลี่ยงไม่ได้จริงๆ ก็ต้องใช้วิธีสุดท้ายและวิธีสุดท้ายนั้นก็ไม่ได้หมายความว่าเราจะต้องทำลายล้างศัตรูให้แหลกอย่างทารุณเสมอไปบางครั้งเพียงเราป้องกันให้ดีศัตรูก็อาจแพ้ภ่ยไปเองเหมือนวิ่งเข้าชนกำแพงหรือแมงเมาบินเข้ากองไฟดูก่อรสุรสีณาเราได้สำรวจและดัดแปลงที่ราบรอบอยุธยาที่ศัตรู เคยมาตั้งล้อมไม่ดีแล้วและพร้อมที่จะทำลายได้ตั้งแต่ครั้งที่ยกทัพช้างมาแต่ยังมีวิธีอื่นก็หลีกเลี่ยงไปเมื่อหมดทางจริงๆอย่างเจ้าว่าเราก็จาเป็นจะต้องใช้วิธีที่รุนแรงแต่พ่อก็เชื่อว่าคงจะไม่ถึงกับตายกันมากนักเพราะวิธีนี้เป็นเพียงทำลายที่ตั้งของศัตรูเท่านั้นอยุธยาได้ประจักษ์มาสองครั้งแล้วว่าศัตรูยกมาล้อมกรุง เป็นรูปครึ่งวงกลมอยู่เสมอถ้าศัตรูได้ศึกษาภูมิประเทศให้ดีก็อาจหาทางปิดล้อมไม่เฉยเฉยให้เกิดความลาบากแก่ผู้อยู่ภายในพระมาณครได้ฉะนั้นโดยการขุดอุโ ม, มงค์จากภายในพระมาณครไปทะลุข้างนอกซึ่งไกลออกไปหลายทิศทางเป็นระยะทางไกลพ้นจากแนวที่ศัตรูเคยตั้งล้อมอยู่เป็นอันมากในยามสงคราม จึงสามารถคุมแหล่งน้ำใหญ่บนเทือกเขาด้านตะวันตกได้นอกจากนั้นที่ราบลุ่มอันมองดูเหมาะสมเป็นสมรภูมินอกแนวป้องกัน ร, รอบกลุ่มที่ศัตรูพอใจใช้เป็นที่ตั้งค่ายล้อมเสมอมานั้นภายหลังการแดัดแปลงแล้วก็มีระดับต่งกว่าในเมืองถึงสามซอกการแดัดแปลงตั้งแต่เริ่มแรกที่สุรเสนาขึ้นเสวยราชในอยุธยาในสมัยที่ระดมช่างออกสารวจ และขุดดินหลายทิศหลายทางไม่มีใครเข้าใจว่าทำไปเพื่ออะไรเพราะบุคคลแต่ละคนก็ดูแต่งานเฉพาะหน้าไม่ได้ดูความสัมพันธ์ของงานส่วนรวมที่ผู้สั่งได้กำหนดหมายไว้ให้เกี่ยวข้องกันอันหนึ่งได้มีวิธีทำให้ไม่รู้สึกว่าตรงไหนสูงต่ำกว่ากันมากด้วยวิธีปลูกต้นไม้บ้างทำให้ลาดลงมาโดยไม่ทันสังเกตบ้างเพราะฉะนั้น เมื่อจะกล่าวโดยความมุ่งหมายของการป้องกันที่ซึ่งข้าสึกเห็นว่าดีที่สุดที่จะตั้งล้อมอยุธยาโดยรอบนั้นแลคือที่ซึ่งฝ่ายอายยธยากาหนดให้เป็นที่ตายของข้าศึกเองพระจันเพเนเต็มดวงผ่านกลุ่มดาวกติกาอีกครั้งหนึ่ง พ, พ่อพืนดินแห้งพอที่กองทัพจะยกมาได้ กษัตริย์แห่งกัมปิละก็สั่งเคลื่อนพลโดยไม่ให้ใครรู้ล่วงหน้าอย่างรวดเร็วพร้อมทั้งให้คณะทูตไปขอโทษพระอนุชายัางกรุงชัตราบดีการเดินทางครั้งนี้ลดกว่าเดิมถึงครึ่งพอครบคกึ่งเดือนก็มาถึงรอบอยยธยาและเร่งให้ตั้งค่ายลงไว้เตรียมยกเข้าตีโดยไม่ต้องมีการเจรจาดังแต่ก่อนแต่ในครั้งนี้ ไม่ลืมการป้องกันภัยในกำปิละอย่างแข็งแรงยิ่งกองสอดแนมของอโยธยาได้รายงานเหตุการณ์มาเป็นระยะเมื่อเห็นข้าศึกเคลื่อนทัพมาอย่างนั้นก็รีบนำความกราบทูลให้พระเจ้าสุรเสนะทรงทราบในครั้งนี้กองทัพส่วนหนึ่งของอยุธยาได้ซุ่มอยู่หลังแนวล้อมของข้าศึกด้วยพระเจ้าสุรเสนะพร้อมด้วยธนยะพระชจ้บิดาออกจากอโยธยาทางอุโมง์ พร้อมด้วยนายช่างและคนงานเป็นอันมากไปประจําอยู่อีกทางเทือกเขานอกกรุงเป็นเทือกเขาที่ได้เคยเสริมขันก้นน้ําไว้สูงยิ่งมีปริมาณน้ําอันมากขังอยู่ยิ่งพ้นฤดูฝนใหม่ๆน้ําก็ยังขังเกือบจะเต็มรอบครั้นเห็นว่าค่าศึกตั้งค่ายในทุ่งนอกกรุงล้อมรอบแล้วพระเจ้าสุรสีนาก็สั่งให้ทําลายขอบขันก้นน้าเป็นบริเวณกว้างและลึกทันที น้ำซึ่งขังอยู่ก็พุ่งโจรลงสู่ที่ราบลุ่มรอบเมือง น, นั้นโดยรวดเร็วเพียงเวลาไม่นานนักที่ตั้งค่ายของข้าศึกอันมีบริเวณกว้างและยาวล้อมรอบอโยธยาเป็นรูปเครื่องวงกลมนั้นก็กลายเป็นทะเลสาบกองทัพทั้งทัพของกษัตริย์แห่งกัมปิลละต้องอยู่ในน้ำก่อนที่จะมีโอกาสถอยหนีหรือรุกรานอยุธยาทั้งคนและสัตว์ต่างตะกิตตะกายเอาชีวิตรอด น้ำก็ท่วมสูงขึ้นมาเรื่อยๆทับสัมภาระแห่งสงครามจมน้ำเห็นแต่คนและสัตว์ไหวอยู่ทั่วไปเนื่องจากความลึกของน้ำมีประมาณแค่คอจึงทำให้ไม่ถึงกับตายเว้นแต่ผู้ประมาทและมีร่างกายต่ำมากแม้เช่นนั้นผู้อยู่ในน้ำก็เคลื่อนไหวได้ด้ดยยากเพราะกระแสน้าเชี่ยวแรงและท่วมมาอย่างไม่ทันรู้ตัวทหารอยุธยาคอยยืนอยู่บนที่ดอน ก็สามารถจับเฉลยได้โดยวิธีเพียงแต่สั่งให้ยอมจำนวนแต่โดยดีกษัตริย์แห่งกัมพิละเสียทีเจ้อยุธยาครั้งนี้เป็นการเสียทีมากยิ่งกว่าทุกครั้งเพราะในเบื้องหลังก็มีทัพของอยุธยาซึ่งซุ่มอยู่ก่อนแล้วล้อมไว้ในเบื้องหน้าก็มีกองทัพอยุธยาตั้งประจันอยู่คอยจับทหารซึ่งยอมจำนวนเป็นที่สนุกสนานใครจะไม่ยอมให้จับ จะแช่อยู่ในน้ำได้ตลอดเวลาก็ตามใจในที่สุดก็ไม่มีใครปรารถนาจะอยู่ในน้ำแม้พระเจ้ากัมปินละเองก็ตะเกียจต่กายขึ้นแต่ด้วยคติยามานะพระองค์ไม่ยอมให้ทหารแห่งอโยธยาเข้าจับกลุ่มจึงต้องใช้พระขันธ์ทำลายพระชนม์ชีพด้วยพระหัตของพระองค์เองมีคำถามว่าลํำน้ำสระยูท้ดขนานตัดกับแนวที่ข้าศึกตั้งล้อมอยู่เหตุนไหนน้าที่บ่ามา จึงไม่ลงไปในแม่น้ำหมดสิน้นข้อนี้พระเจ้าสุรเสนและทนิยะได้พิจารณาเห็นแล้วแต่ต้นจึงใช้บริเวณที่ติดกับเรียงฝั่งแม่น้ำสระยูนั่นเองเป็นเสมือนหนึ่งกุญแจสำคัญที่จะใช้บริเวณนี้ให้เป็นประโยชน์ในยามปกติเมื่อถึงฤดูฝนให้เปิดทางน้ำไหลลงลําน้ำสระยูไปน้ำก็ไม่ขังอยู่นานในที่ราบที่ดัดแปลงไว้นั้น รั้นหมดรูฝนก็กั้นขันไว้ทั้งสองด้านมิให้น้ําไหลลงน้ําได้เมื่อปล่อยน้ํามาจากเทือกเขาน้ําก็จะขังอยู่เหมือนขังอยู่ในครูฉะนั้นอันหนึ่งน้ําจากเทือกเขานั่นเองย่อมไหลไปตามลาธารทั้ง6เข้าสู่อโยธยามหานครเป็นลานําธาร ซึ่งสร้างขึ้นเพื่อชักน้ำไปใช้ภายในกรุงภายหลังที่พระเจ้าสุรเสนะเสวยราชสมบัติแล้วในขณะที่ปล่อยน้ำก็ไม่ได้ทําให้น้ำท่วมท้นไปในเมืองเพราะระดับภายในสูงกว่าระดับที่กำหนดให้น้ำท่วมและเมื่อน้ำหมามากก็ล้นคันที่กั้นไหลลงสู่แม่น้าสระอยู่ไปในที่สุดกองทัพกัมปิละทั้งสิ้นก็ตกอยู่ในมือของอยธยากษัตริย์กัมปิละ ผู้ใช้วาจาสัตว์แต่ไม่รักษาสัตว์พยายามทุกทางที่จะทําร้ายผู้ซึ่งไม่คิดร้ายต่อตอนเองจึงเป็นเสมือนหนึ่งผู้สัตว์ฝุ่นไปทวนลมและต้องระรับฝุ่นนั่นเองแต่ฝุ่นจริงๆเป็นเพียงทําให้เปื่อเปลืน่นหรือสำลักหายใจไม่สะดวกเท่านั้นส่วนฝุ่นคือผลของกรรมนี้รุนแรงกว่านั้นกษัตริย์แห่งกัมพิลละจึงต้องทําลายพระชนมาชีพของพระองค์เอง เมื่อสั่งให้ทำลายคันกั้นน้ำใกล้ฝั่งสระอยู่ทั้งสองข้างที่เป็นแนวกักน้ำเพื่อให้น้ำไหลลงสู่สระอยู่แล้วพระเจ้าสุรเสนก็ส่งกองทัพไปยึดกรุงกัมพิละจัดให้พระชูรถองค์ใหญ่ของกษัตริย์กัมพิละขึ้นครองราชสมบัติสืบแทนโดยมีมหาอมาตย์ผู้สำเร็จราชการของอยยธยากำกับอยู่ด้วยราชาแห่งชตราบดีไม่ได้สงกริว้วโกรธอยุธยาแต่ประการใด เพราะเป็นเรื่องของการทำลายสัจวาจาของพระเชษฐาธิราชของพระองค์เองพระเจ้าสุรเสนาทรงโล่งพระทยัยเมื่อเห็นศึกสงบจึงสั่งให้แต่งพระราชสารเจริญพระชจมตรีไปยังพระนครทั้งหลายรวมทั้งสาวัตถีโกสัมพีอุเชนีชตราวดีและพระนสีพร้อมในเครื่องราชบรรณาการเพื่อเป็นการผูกมิตรกับแคว้นต่างๆ และเพื่อความผาสุกสงบยั่งยืนสืบไป